สวัสดีวันนี้มีธรรมะแปลกๆมาแจกใจคำว่าธรรมะแปลกๆนั้นก็คือว่า <c oughs> มีคนมาถามว่านารกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมหลวงพ่อก็ตอบเพราะว่านารกมันก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริง เขาก็ทักทายต่อไปว่าเมื่อมีจริงหลวงพ่อก็เอานาลกมาให้เขาดูหน่อยเอาตะวันมาให้เขาดูหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าจะไปเอาอย่างไรท่านแสดงแต่งไว้ในคำภีร์และก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าเราก็เชื่อว่าเป็นของจริงเขาก็ย้อนบอกว่า ฉันก็ไม่อยากแกเชื่อเพราะว่ามันมองไม่เห็นยมบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอะยมไม่เชื่อว่ามีใช่ไหมบอกว่าใช่ก็ในร่างกายของยมอะยมก็มองไม่เห็นตับก็มองไม่เห็นไ่ก็มองไม่เห็นแล้วตับไตไตผุนของยมมีไหมมันก็มี แล้วทำไมอยอมั้องบอกว่ามีก็บอกว่ามันเห็นคนอื่นเขามีเราก็มองดูตัวของเรามันก็มองไม่เห็นนะถึงคุณจะมองเท่าไหร่คุณก็มองไม่เห็นเมื่อของมองไม่เห็นนี่มันมีเช่นอย่างคุณเนี่ยใจมีไหมถ้าหากว่าถามคุณก็ต้องบอกว่ามีใจ แต่คุณเห็นใจของคุณไหมคุณก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ใจมันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ว่า เ, เราจะต้องเชื่อแน่เพราะไม่มีใจแล้คนก็ตายแล้วใจมันเป็นยังไงมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วโยมเชื่อไหมหรือว่ายมไม่มีใจในที่สุดยมก็ยอมจำนน แม่ยอมจำนนหลวงพ่ออธิบายต่อไปว่าการที่เราจะรู้จักว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็รู้เราก็เห็นคนเท่ทำความดีผลดีตอบรับคนที่ทำความชั่วผลชั่วส่งกรรมให้สารพัดที่เกิดขึ้นเราก็แมบมองเห็นอยู่ อย่างคนที่เขาว่าทำความดีให้แกเขาความดีก็ถึงตนทำความชั่วให้แกเขาความชั่วก็ถึงตนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังว่ามีในพรานคนหนึ่งไม่ใช่เล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่แสดงว่าในคำพีมีในพรานคนหนึ่งเดินไปล่าเนื้อในระหว่างทาง ได้ไปพบพระภิกษุพระภิกษุท่านทำสมาธิอยู่ที่ใต้คนต้นไม้ไม่พรานก็เดินผ่านไปเมื่อเดินผ่านไปแล้ววันนั้นทั้งวันในพรานก็ไม่ได้เนื้อซักตัว เ, เขาก็เลยบอกว่าที่เราเห็นพระองค์นี่แหละมันทำให้เราซวยไม่สามารถที่จะหาเนื้อได้แม้แต่ตัวเดียวต้องจัดการซะ เขาก็เลยชุหมาหมาของเขาน่ามีสี่ตัวถ้าชุให้กัดใครแล้วมันก็กัดจนตายพระท่านก็เห็นหมาวิ่งมาท่านก็ห น, นีขึ้นต้นไม้แตนี้ต้นไม้นั่นมันก็ไม่สูงต้นไม้มันต่ำานายพระนก็เอาห อ, อกนี่แย่แย็บหย่ตีนของท่านแหย่ตีนพระแย็บตีนนี้ท่านก็นยก ยกขึ้นมามันก็แย่ตีนิ้วก็ยกจนเลือดไหลแต่ทีนี้ท่านก็นเลยค้องจีวอนไม่อยู่จีวอนก็เลยหลุดลงมาจีวอนหลุดลงมาก็คลุมตัวในพรานหมาก็เนื้ว่ า, าพระตกลงมาก็เลยเชื่อกันกัดจนตายเนี่เขาเรียกว่ า, าทำความชั่วให้แกท่านชัว่วนั่นก็ถึงตนเพราะฉะนั้น กรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีจริงนรกก็คือสถานที่ที่ต้องถูกลงโทษเพราะว่าคนเหล่านั้นมีธรรมประจําตัวมาถึงเรียกว่ารูปธรรมนามก็เรียกจิตนั่นก็เรียกว่านามธรรมนี่คือธรรมประจําตัวมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษยธรรมมีธรรมประจําตัวแต่เมื่อเวลาที่ เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็ไม่รักษาธรรมนั่นก็ประพฤติความชั่วขโมยของเขาบ้างฆ่าเขาบ้างข่มขืนอนาจารย์เขาบ้างแล้วก็โกหกกลอกรวงคอร์รัปชันอะไรต่างๆบ้า ง, า ง, างกินเหล้าเมาสลบยาเสพติดบ้างเหล่านี้เรียกว่าความชั่วทีนี้ความชั่วเหล่านี้ ที่ทําลงไปนี่ก็เรียกว่าผิดธรรมเพราะร่างกายเรานี้เรียกว่ารูปธรรมทําไมถึงไปทำชั่วซะท่านก็ต้องลงโทษเมื่อกินเหล้าก็ต้องไปตกนรกเมื่อฆ่าคนก็ต้องไปตกนรกเมื่อทําผิดศีลมันก็ต้องไปตกนรกมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่านรกนั้นรอนับบุคคลผู้ทําความชั่ว อ, อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สวรรค์ก็เปิดรับเปิดประตูรับพุตรทองความดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อสร้างบุญสร้างกุญศรเราเกิดมามีรูปประทนามธรรมาก็พยายามประพฤติธรรมนอกจากว่าเราให้ทานรักษาศีลแล้วเราก็ภาวนาทิงเหล่านี้เมื่อทำแล้วประตูสวรรค์ก็เปิดรอรับอยู่ด้วยกันทุกๆคน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันมีสติอัปปะมาเดนะสัมปะเดทาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสวัสดีส